ก็ความในมัชฌิมเนกายมูลปานาต น, นะโกสัมพิยสูตรต่อจากเมื่อเช้าในข้อ542หน้า411พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกกับพระพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิษูทั้งหลายธรรมะหกประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกั น, นนะคือธรรมะทั้งหกประการนนะเป็นสารานิยธรรม เป็นธรรมที่ผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้จะระลึกถึงกันแล้วก็กระทมความรักกันคือคนที่มีธรรมะทั้ง6ประการเนี่ยนะจะรักกันจะเคารพกันเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันผู้ที่มีธรรมะทั้งหประการนั้นจะไม่วิวาทกันจะมีความสามัคคีกันพร้อมเพียงกันมีความเป็นอันเดียวกัน ก็เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสมัครสมาสามัคคีปรองดองไม่ทะเลาะไม่เบาะแวง่งไม่แก่งแย่งกันแล้วก็ทุกคนก็จะระลึกถึงกันคือไม่ใช่แช่งกันนะหมายว่าคิดถึงสามารถที่จะคิดถึงกันเพราะว่าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความคิดถึงนะแต่ว่าไม่ใช่คิดถึงด้วยอำนาจราคะนะแต่ว่าคิดถึงด้วยอำนาจคุณงามความดีของอีกฝ่ายหนึ่งนะก็จะระลึกถึงกัน นึกถึงก็นนึกด่าไม่เหมือนกันะนะนะก็นี้นึกถึงด้วยแล้วก็นึกถึงด้วยความรักด้วยธรรมะหประการเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังธรรมะแม้นี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน กระทำความรักกันกระทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันคือเป็นัเป็นความสามัคคีต่อกันนะนะเมตตากายกรรมอ่านะเรียกว่าการกระทำที่ประกอบไปด้วยเมตตาหรือการกระทำทางกายล่วงมาทางกายที่มี เมตตาจิตเป็นสมุทฐานชื่อว่าเมตตากายกรรมเมตตากายกรรมนั้นกล่าวทั้งได้ทั้งพระพิสุและก็คารวะพระพิสุทั้งหลายถ้าจะมีเมตตากายกรรมต่อกัน น, น, นะนะก็ด้วยอภิสมาจาริกวัตรมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาในพระพิสุทั้งหลายก็หมายควาว่าเช่นพระนมทั่วทั่วไปก็ประพฤติเมตตากายกรรม ต่อหน้าและรับหลังต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะก็คําว่าเมตตากายกรรมก็คือรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นคนที่เราไม่นิ่งดูได้ข้อวัดปฏิบัติเหล่าใดพระธรรมคาสอนเหล่าใดที่ตนต้องปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ก็ไม่เพิกเฉยในในข้อวัดและข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นนะหรือเหมือนกับว่าลูกเนี่ยนะลูกที่ดีทั้งหลายเนี่ย เมื่ออยู่กับพ่อแม่ควรจะทําอย่างไรเห็นไหมแล้วก็พ่อแม่ทั้งหลายถ้ามีลูกอะ่ะควรจะทํากับลูกอย่างไรทั้งทั้งสองฝ่ายด้วยความหวังดีต่อกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันฉันใดพระพิสูจนทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างพระพิสูจน์ผู้ที่อยู่ในฐานะอาจารย์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพึงมนานัสการไว้เหมือนกับเป็นพ่อกระทาความรักว่าเราเป็นเหมือนกับพ่อเขา พระพิสูุทั้งหลายที่เข้ามาก็เปรียบเหมือนกับเป็นลูกเนี่ยนะก็มีความเมตตาต่อกันอันไหนที่จะเป็นความหวังดีต่อกันเกื้อกูลต่อกันส่งเคราะห์กันต่อกัน อ, อย่างเช่นทำอะไรบ้า ง, งก็บอกว่ามีอาจารยวัดเนี่ยนะข้อวัดของพระพิสูุนผู้ทีอ่อยู่กับอาจารย์นั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายจะต้องปฏิบัติกับศิษย์ อย่างไรเมื่อสิทธิปฏิบัติกับอาจารย์แล้วก็เป็นเหตุให้อาจารย์ระลึกถึงสิทธิแล้วก็อาจารย์ที่ปฏิบัติกับสิทธิเป็นเหตุให้สิทธิระลึกถึงอาจารย์คือสารานิยธรรมเนี่ยนะกับกัตัญญูตาธรรมมันก็คล้ายๆกันก็คือถ้าหากก็อีกฝ่ายหนึ่งกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะระลึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างง่ายดายอย่างอย่างที่บอกว่า เดี๋ยวสูตรข้างหน้าเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็อยู่กับอาจารย์ก็ทำแค่ว่าประพฤติข้อวัดปฏิบัติกับให้กับอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าอาจารย์นั้นขาดตนไม่ได้เนี่ยนะชันใดสิทธิ์ทั้งหลายก็ควรที่จะปฏิบัติฉันนั้นทีนี้ผู้ที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าเอารัดเอาเปรียบกันนะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่ยนะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลป้องกันรักษาก็ประพฤตปฏิบัติเพื่อสงเ ค, คราะห์อนุเคราะห์ทั้งเน แต่ถ้าหากว่าไม่มีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าเนี่ยนะสมมุติว่าเราได้รับคําสั่งอะไรมาก็เพิกเถอะเพิกท อ, อนต่อสิ่งเหล่านั้นทําอะไรเรียกว่าประพฤติปฏิบัติตราบเท่าที่อยู่เฉพาะหน้าพอรับหลังไปแล้วก็ไม่ทําก็มีบางพวกรับต่อหน้าก็ไม่สนใจสนใจแต่รับหลังเพราะฉะนั้นต้องมีความสม่ําเสมอกันทั้งต่อหน้าและ รับหลังต่อหน้าฉันใดรับหลังก็ฉันนั้นต่อหน้ามีเมตตาฉันใดรับหลังก็ควรจะมีเมตตาฉันนั้นอย่าลืมว่าคนคนที่ยังอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยนะยังมีวิถีชีวิตที่โคจรเหมือนกันเนี่ยอยากคิดว่าเราจะมีประวัติไปแอบทำอะไรสักอย่างแล้วจะไม่มีคนรู้ในตอนหลัง มีเนี่ยนะอย่างน้อยตัวเองก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าตนเนี่ยเป็นคนอย่างไรเป็นคนทำอะไรเนี่ยนะต่อหน้าตนทำอย่างไรรับหลังตนทำอย่างไรผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติควรแก่การเคารพตนนะตนเองก็ยังเคารพตนขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพด้วยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาเมตตาอะไรเมตตากายกรรมเนี่ยนะ ยกตัวอย่างว่าในกลุ่มคารวาทั้งหลายเนี่ยนะที่มีเมตตากายกรรมก็ยกตัวอย่างท่านบอกว่ากรรมเป็นต้นอย่างนี้ก็คือการไปเพื่อประโยชน์แก่ไหว้พระเจดีการชักชวนกันเพื่อไปไหว้พระเจดีการไหว้พระเจดีเนี่ยนะเช่นการชักชวนกันไปไหว้เจดีเนี่ยต้องคิดให้ดี ท่านบอกว่าเป็นกรรมที่ประกอบด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาแต่ก็ต้องเป็นกาลันยูบุคคลเนี่ยนะคำว่าชักชวนกันไปไหว้พระเจดีย์นี่ก็ก็ต้องเป็นกาลันยูบุคคลเพราะว่าแทนที่จะเป็นเมตตากลายเป็นว่าปัญหากลับมาตรงนั้นเนี่ยนะก็คือทําอย่างไรที่มีเมตตาต่อกันนะ่ะไม่ใช่ว่าชักชวนกันไปไวหว้เจดีย์ไวหว้เสร็จแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยนะก็ไม่ใช่แบบนั้น อีกคนหนึ่งจะสวดมากอีกคนหนึ่งจะสวดน้อยอีกคนหนึ่งจะไหวอีกคนหนึ่งจะประทักศีนอีกคนหนึ่งจะนั่งสมาธิเ น, นี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคนละาธาตุกันก็ห่างๆกันบ้างก็ดีเนี่ยนะก็คือไปไหว้คนละช่วงดีที่สุดเนี่ยนะมันจะได้ไม่เป็นผู้จัดการกันและกันแต่ถ้าหากว่าเออมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง ก, กันก็ทําด้วยกันได้เนี่ยนะก็ไปกราบพร้อมกันไปไหว้ด้วยกัน น, นะเช่นไปไหว้พระเจดีไหว้ต้นโพ หรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะก็นิมนต์ท่านไปฉันหรือว่าการเห็นภิกษุทั้งหลายพวกเข้าไปโคจรเพื่อบินธบาาแล้วก็ต้อนรับการต้อนรับการเชื้อเชิญการรับบาศการปูอาสนะการตามส่งกิจกรรมของเครือข่าทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ามีเมตตากายกรรมมีเมตตากายกรรมต่อตนเองด้วยมีเมตตากายกรรมต่ อ, อเพื่อนเครือข่ายด้วยกันด้วยแล้วก็มีเมตตากายกรรมต่อ พระพิสูจน์ทั้งหลายด้วยบังคําว่าเมตตาเนี่ยนะแปลว่าความหวังเกื้อกูลต่อคนอื่นนะก็เรียกว่าหวังเกื้อกูลต่อตนหวังเกื้อกูลต่อผู้อื่นเรียกว่าเมตตาหวังประโยชน์แก่ตนหวังประโยชน์แก่คนอื่นเรียกว่าเมตตาไอสมัยปัจจุบันเนี่ยอันหนึ่งเพึงระวังนี่ก็คือว่าเรามีเมตตากับคนอื่นเราต้องคิดว่าคนอื่นเขามีเมตตากับเราหรือเปล่าหรือเขารู้สึกว่าคุณมาจุนจ้านกับเขาเกินไป ภา พ, อ พ, อพอ ม, มันเป็นยุคสมัยใหม่ที่คนต้องการความเป็นอะไรนะเรียกว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะเรียกว่าความเป็นส่วนตัวการมีเมตตาก็ไม่ได้ว่าไปก้าวไายเรื่องคนอื่นจนเกินไปเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นเขาจะไม่ขอบคุณเขาขับจะปรับรำคาญ น, นะนะอันนี้ก็ต้องหาความพอดีให้พบว่าการมีเมตตาต่อคนอื่นอย่างไรจึงจะพอดีเพราะว่าถ้าไม่สิ่งที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยนะถ้าถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมตตาล่ะ มันก็คือโทสะเนี่ยนะถ้าเมตตาเนี่ยนะถ้อยคำก็จะยังใจให้เอบอิ่มแต่ถ้าคำพูดที่มาจากโทสะก็ยังจิตใจให้เหือดแห้งเราร้อนเนี่ยนะเราก็ต้องระวังว่าเออเนี่ยมันผลลัพธ์มันคืออะไรเนี่ยนะคนที่จะเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยนะก็ต้องศึกษาศึกษาคนที่เราเกี่ยวข้องพอสมควรไม่อย่างนั้นเราก็จะบอกว่าแม้เราทาดีกับเขาทุกอย่างทำไมเขาไม่ดีกับเราเลย มันดีในความคิดของเราอะสิเขาไม่คิดว่าคืออีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้คิดว่าคุณอะทำดีกับเขาแต่รู้สึกว่าจุนจ้างกับเขาเป็นต้นเนี่ยเขาจะคิดไว้อีกอย่างหนึ่งมันไอ ห, หาความพอดีให้พบระหว่างการเกี่ยวข้องการการทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็ต้องหาความพอดีและความเหมาะสมเพราะคําว่าเมตตาเนี่ยนะหมายความว่าถ้าฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งมีเมตตาหรือมีเมตตาทั้งสองฝ่ายจะระลึกถึงกันจะมีเมตตาต่ อ, อการจบด้วย ทั้งสองฝ่ายก็ยังคิดถึงการระลึกถึงการมีเมตตาต่อกันระลึกถึงความหลังเก่าๆก็มายินเนี่ยนะมาระลึกถึงแล้วก็ภูมิ อ, อกภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่ว่าแม้กิจกรรมที่ร้าวรานกันเนี่ยนะก็าการมีเมตตากายกรรมก็คือกิจกรรมที่ตอนหลังก็ระลึกถึงกันทั้งทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อไปก็คือเมตตาวจีกรรมข้อที่2เนี่ยนะ ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งเมตต์วจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาหรือเราเมตตาวจีกรรมนี่ยนะในเพื่อนสัพพรมารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังธรรมะแม้นี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันกระทําความรักกันกระทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกัน กอว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันพักเดียวกันที่อยู่ด้วยความเมตตาต่อกันเนี่ยนะ เ, เมตตาวจีกรรมของพระพิสุททั้งหลายก็คือทำอย่างไรก็การบอกสอนท ร, รมินายเนี่ยนะการบอกศึกขาบทการบอกอาจาระบอกบรร น, นะบอกอาจาระทางกาย วิกายกรรมควรเป็นเช่นนี้วจีกรรมพฤติกรรมทั้งหลายควรเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ควรทําควรปฏิบัติอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วจะได้รับประโยชน์เช่นนี้เชน่นนี้ะนะก็บอกข้อห้ามเพราะถ้าทําไมจึงห้ามถ้าหาว่าล่วงละเมิดไปแล้วมีโทษอย่างนี้อย่างนี้ก็คือการบอกอธิสิลัสิกขาทั้งหลายการบอกกรรมฐานการบอกอวิธีการเจริญเมตตาเกลืนกรุณาเจริญมุทิตาบอกวิธีการเจริญอนุสติ บอกวิธีการเจริญธาตุกรรมฐานเป็นต้นตลอดจนถึงการบอกพระไตรปิฎกด้วยจิตเมตตาหรือว่าด้วยเมตตาจิตของพิสูจนทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเมตตาจิตของพระภิสูจน์ก็คือการบอกธทมการกลร่าวสอนธรรมโดยหวังว่าธรรมะเหล่านี้ที่บุคคลศึกษาและปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าเมตตาวจีกรรมส่วนเมตตาวจีกรรมของเครือข่าก็คือ อย่างเช่นการชักชวนกันว่าเราจะไปไหว้พระเจดีการชักชวนเราจะไปไหว้ต้นโพกชักชวนกันเพื่อการฟังธรรมหรือว่าการชักชวนกันเพื่อการบูชาด้วยประทีบมาลัยดอกไม้หรือว่าชักชวนกันในการประพฤสตริศรสามชักชวนกันในการถวายสลากกพัดถวายผ้าจำนำพันสาถวายปัจใจสี่แก่สง์หรือว่านิมนต์แก่พระพิสุสง์แล้วก็ถวายของขบเคี้ยวฉันเป็นต้น หรือว่าปูอาสนะตั้งน้ำาดิมต้อนรับพระสงฆ์มาด้วยตนเองหรือว่าใช้ให้คนอื่นต้อนรับนิมนต์พระสงฆ์ให้นั่งยังเรียกว่าทำให้เกิดชันทะขมักขเม่นขวนขวายทั้งหลายนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมทำด้วยตัวเองด้วยบอกคนอื่นด้วยไม่คือไม่นิ่งดูไดนะ้อะนะอนไหนที่ทำได้ด้วยตัวเองก็ทำไปอันไหนที่บอกคนอื่นซึ่งบอกแล้วคนอื่นเขาเต็มใจที่จะทาก็บอกกับคนอื่นให้คนอื่นเขาช่วยทา อันนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมมันเมตตาวจีกรรมเหล่านี้ถ้อยคําทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเหตุให้อะไรลึกถึงกันในวันหลังเป็นเหตุให้รักกันเคารพกันควเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยความเคารพเนี่ยนะทุกฝ่ายก็เคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะมันคารวะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะความเคารพกันเหล่านี้เป็นธรรมที่สําคัญมากบางทีเนี่ยอาจจะระลึกถึงกันแต่ว่าไม่มีความเคารพกันไม่มีความยำเกรงกันแล้วก็ไม่มีความ เกรงใจกันไอ้ที่สําคัญก็คือความรู้จักเกรงใจกันเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะคาระวะเนี่ยนะคาระวะการมีสัมมาคาระวะก็คือการคาระวะนั่นแหละคือการเคารพเคารพนั่นแหละคือเกรงใจเนี่ยนะท่านคนที่จะมีความเกรงใจก็คือมีฮิริโอตตะปะทั้น เ, เราต้องพยายามที่จะเจริญว่าเราเกรงอกเกรงใจคนอื่นอยู่หรือเปล่านะแต่ก็คันว่าไอ้การเกรงใจคนอื่นแล้วก็พูดแต่คําว่าเกรงใจเกรงใจแล้วก็ น, น้นมันก็ไม่ใช่เพียงพอนะว่าเกรงใจด้วยด้วยสุดจริญใ จ, จหรือไม่ปะญหามอยู่ตรงนั้นเพราะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยความสุดจริจใจเนี่ยนะไม่ใช่ทําด้วยความทุจริตหรือแอบแฝงอย่างใดอย่างหนึ่ง